3. โอวาดวัช 2. อ, อัดทังคตสิกขาบทว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณีในเวลาที่ดวงอาทิตย์อัดสดงแล้วเรื่องพระจุรปันธก153สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุผู้เป็นเทระ ผัดเปลี่ยนกันสั่งสอนพวกภิกษุณีครั้งนั้นถึงวาระที่ท่านพระจุรปันธกจะสั่งสอนพวกภิกษุณีพวกภิกษุณีกล่าวกันอย่างนี้ว่าวันนี้เห็นทีการสั่งสอนจะไม่สำเร็จผลประเดี๋ยวพระคุณเจ้าจรปันถกก็คงจะเปล่งอุทานซ้ำซากเหมือนเดิมครั้นแล้วพวกภิกษุณีได้พากันไปหาพระจุรปันธกถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระจุรปันธกแล้วนั่งหน้าที่สมควร ท่าพระจุรปันธุกได้กล่าวกับพวกภิสุณีผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วดังนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอพร้อมเพรียงกันแล้วหรือพวกภิสุณีตอบว่าพวกดิฉันพร้อมเพรียงกันแล้วเจ้าค่าพระจุรปันธุกถามว่าน้องหญิงทั้งหลายครูธรรมแปดข้อยังจํากันได้อยู่หรือพวกพิสุณีตอบว่ายังจํากันได้อยู่เจ้าค่าพระจุรปันธุกมอบหมายว่าน้องหญิงทั้งหลาย ธรมนี่เป็นโอวาทแล้วเปล่งอุทานซ้ำว่ามุนีผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาท ศ, ศึกษาทางแห่งความเป็นมุนีผู้คงที่สงบมีสติทุกขณะด่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกพวกพิจูนีกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราได้กล่าวแล้วไม่ใช่หรือว่าวันนี้เห็นทีการสั่งสอนจะไม่สำเริจผลประเดียวพระคุณเจ้าจุรปันรทกก็คงจะเปล่งอุทานซ้ำซากเหมือนเดิม ท่านพระจุรปันถกได้ยินคำสนทนานี้ของพวกพิษุณีเหล่านั้นแล้วจึงหาะขึ้นไปสู่อากาศจงกรมบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างบัรดาลให้ควันฟุ้งตลบบ้างบัรดาลให้ไฟโพงบ้างหายตัวบ้างในอากาศเปล่งอุทานนั้นนั่นแหละและกล่าวพระพุทธพจน์อื่นๆเป็นอันมากพวกพิษุณีพากันกล่าวอย่างนี้ว่านาฏศจั์ไม่เคยมี การสั่งสอนก่อนหน้านี้ไม่เคยสำเร็จผลแก่พวกเราเหมือนการสั่งสอนของพระคุณเจ้าจุฬาันถกเลยคราวนี้ท่านพระจุฬาพันถกสั่งสอนพวกภิษุณีอยู่จนพลบค่ําแล้วท่งกลับด้วยกล่าวว่าพวกเธอกลับไปเถิดน้องหญิงทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ปิดประตูเมืองแล้วพวกพิษุนีได้พักแรมอยู่นอกเมืองรุ่งเช้าจึงพากันเข้าเมืองพวกชาวบ้านตนําหนิประนามโพลธ น, นาว่า ภิกษุณีพวกนี้เป็นผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ภาคเรมกับพวกภิกษุในอารามที่เพิ่งจะกลับเข้าเมืองเดี๋ยวนี้เองพวกภิกษุได้ยินพวกชาวบ้านตนําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงแล้วฉะนั้นท่านพระจุลปันธก์ยังสั่งสอนพวกภิกษุณีอยู่เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตนําหนิท่านพระจุลปันธกโดยประการต่างๆ